ธรรมคุณประการที่ห้าโอปัญนนิโกโอปัญนนิโกแปลว่าคนนำเข้ามาพระธรรมที่ได้ชื่อว่าโอปัญนนิโกก็เพราะเป็นสิ่งที่ควรจะนำมาใส่ไว้ในใจของตัวในคำพีวิสุธทธิมรตท่านได้เปรียบไว้ว่าผู้ปฏิบัติกรรมฐ า, านด้วยการเพ่งไฟ ซึ่งในเมื่อปฏิบัติได้ดีจนจิตเป็นสมาธิแล้วเมื่อหลับตาก็ย่อมจะเห็นไฟปรากฏชัดอยู่ในใจข้อนี้ฉันใดพระธรรมก็เป็นสิ่งที่ควรจะนําเข้ามาไว้ในใจและต้องให้รู้สึกเห็นชัดเหมือนกับผู้ที่ได้กรสินซึ่งในเมื่อหลับตานึกถึงไฟที่ไรก็จะเห็นไฟปรากฏชัดอยู่ในใจทุกขณะฉันนั้นข้ออุปมานี้โปรด จ, จําไว้ให้ดีเพราะจะทําให้เราเข้าใจได้ง่ายว่า การรู้หรือการจำธรรมะได้ตามตำรากับการมีธรรมะอยู่ในใจจริงๆนั้นต่างกันอย่างไรแต่ถ้าเพียงแต่จำได้ก็ไม่สู้จะเป็นประโยชน์อะไรกับตัวเองเหมือนกับคนที่เพ่งกรสินโดยใช้ไฟเป็นอารมณ์เมื่อหลับตาแล้วก็นึกได้ว่าเปลวไฟเป็นอย่างไรแต่รูปร่างของเปลวไฟจริงๆไม่ได้ปรากฏให้เห็นเป็นมโนภาพก็แปลว่าใจยังไม่เป็นสมาธินิวรยังไม่สงบ และนั่นย่อมหมายถึงว่าจะยังไม่ได้รับประโยชน์จากการฝึกสมาธิต่อเมื่อเห็นเปลวไฟปรากฏชัดอยู่ในใจเหมือนกับลืมตาดูในขณะนี้จึงจะได้ชื่อว่าจิตสงบแนว่วแน่จริงๆปีติและสุขก็ยอมจะเกิดขึ้นด้วยในทำนองเดียวกันคนที่ยังไม่รู้สึกว่าธรรมะได้มีอยู่ในใจจริงๆแต่ก็จาได้ว่าหลักธรรมเป็นอย่างไร ธรรมะก็ยอมจะยังไม่มีผลเช่นคนบางคนรู้ว่าความซื่อสัตย์ความเสียสละเป็นอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรแต่พื้นนิสัยจริงๆเป็นคนไม่ซื่อสัตย์เป็นคนเห็นแก่ตัวคนประเภทนี้เรียกว่ายังไม่มีธรรมะอยู่ในใจคําว่าโอปัญิโกซึ่งแปลว่าควรจะน ำ, ำเข้ามาไว้ในใจนั้นหมายความว่า ต้องทำให้มีให้เป็นขึ้นคือต้องให้ธรรมะมีอยู่ในใจจริงๆไม่ใช่เพียงแต่รู้ธรรมะเฉยเยแต่ปฏิบัติตามไม่ได้อันหนึ่งธรรมะที่ควรจะน้อมนำเข้ามาไว้ในใจนี้ตามที่ท่านอธิบายนั้นหมายถึงธรรมะในขั้นโลกุตระธรรมซึ่งมีอยู่9้าอย่างคือมรซีผล4ีนิพพานหนึ่งก็คือคนที่มีมร์อยู่ในใจ คือคนที่มีมรรคแปดคือสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิอยู่ในใจอย่างสมบูรณ์เช่นรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าในใจของเรามีความเห็นชอบมีความคิดชอบมีการพูดชอบมีการกระทําชอบมีอาชีพชอบมีความพยายามชอบมีสติชอบมีสมาธิชอบและแต่ละอย่างที่กล่าวมานี้ก็มีอย่างสมบูรณ์มีอย่างมั่นคง เช่นในเรื่องศีลคือความตั้งใจที่จะงดเว้นจากความชั่วก็รู้สึกว่าตัวเองมีอย่างเข้มแข็งและเด็ดขาดไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ย่วยยุอย่างไรก็ไม่อาจจะผิดศีลได้เพราะความรู้สึกที่อยากจะทำอะไรที่ผิดศีลไม่มีอยู่ในสันดานเลยและในเวลาเดียวกันก็เข้าใจเหตุผลด้วยว่าทาไมเราจึงต้องมีศีลถ้าไม่มีจะมีผลอย่างไรการมีศีลมีผลอย่างไร และเกิดมาจากอะไรเข้าใจเหตุผลชัดเจนหมดทุกอย่างอย่างนี้จึงจะเรียกว่ามีศีลอยู่ในใจอย่างมั่นคงอย่างนี้เป็นต้นโดยธรรมดาคนที่จะมีศีลสมาธิปัญญาคือมีมรรคแดอย่างสมบูรณ์นั้นจะต้องได้เข้าถึงนิพพานคือสามารถทำใจให้ว่างได้ทุกขณะและเป็นการว่างจริงๆโดยไม่ต้องคอยบังคับหรือควบคุม ที่ว่างก็เพราะมีความรู้แจ้งในเรื่องของชีวิตที่ว่างก็เพราะในสันดานไม่มีอวิชชาตันหาอุปาทานอยู่เลยผู้ที่เข้าถึงความว่างเปล่าหรือความเป็นอิสระอย่างนี้เท่านั้นศีล ส, สมาธิปัญญาจึงจะมั่นคงศีล ส, สมาธิปัญญากลายเป็นนิสัยสันดานประจำตัวและในเวลาเดียวกันผลของมรรคคือความบริสุทธิ์ความสงบความพ้นทุกข์ ก็จะมีอยู่ตลอดการในความหมายอย่างนี้เรียกว่าน้อมนำธรรมะเข้ามาไว้ในใจได้แล้วคือธรรมะมีอยู่ในใจเสมอความมุ่งหมายที่ท่านอธิบายไว้ต้องการจะให้เราปฏิบัติจนกระทั่งมรซีผลซีเกิดขึ้นในใจจริงๆและสามารถเข้าถึงนิพพานได้จริงๆทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะมรซีผลซีและนิพพานหนึ่ง ซึ่งเป็นธรรมะในขั้นโลกุตระนี้เป็นสิ่งที่ควรจะน้อมนำเข้ามาไว้ในใจคือควรจะทำให้มีให้เป็นขึ้นในใจควรจะทำให้ปรากฏขึ้นในใจคาอธิบายตามความหมายในคำพีดังที่ได้กล่าวมานี้ผู้ที่ไม่ค่อยได้ปฏิบัติในทางสมาธิและวิปัสสนายากที่จะเข้าใจได้แต่อย่างไรก็ดี ความหมายเท่าที่ท่านอธิบายมานั้นไม่ใช่เป็นความหมายทั้งหมดเพียงแต่ท่านหยิบประเด็นที่สำคัญแง่หนึ่งขึ้นมาอธิบายเพื่อให้เห็นว่าธรรมะที่ควรเกี่ยวกับการน้อมนำเข้ามาไว้ในใจของตนคืออะไรเพราะเหตุที่ความหมายของคาว่าโอปะนาญโกนี้ยังมีอีกหลายแง่ฉะนั้นข้าพเจ้าจะขออธิบายความหมายในแง่อื่นๆอีกเพื่อคนทั่วๆไปจะได้เข้าใจง่าย และเกิดความเลื่อมใสในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอันที่จริงคำว่าโอปัญิโกแปลได้หลายอย่างซึ่งเป็นการแปลด้วยการถอดความหมายไม่ใช่เป็นการแปลตามสั์เช่นแปลว่าเป็นสิ่งที่นำมาปฏิบัติได้คือคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นทุกข้อเป็นสิ่งที่นำมาปฏิบัติได้ทั้งสิน้นไม่ใช่เป็นแต่เพียงทฤษฎี ซึ่งเอาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์อะไรไม่ได้เพราะยากเกินไปจนไม่มีใครสามารถที่จะปฏิบัติได้ข้อนี้ควรจะได้พิจารณาโดยละเอียดเพราะเดี๋ยวนี้คนทั่วไปมักจะรู้สึกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ดีจริงแต่เขาก็ไม่อาจจะปฏิบัติตามได้และเมื่อเอามาปฏิบัติไม่ได้การรู้พระธรรมก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคนส่วนมากมักจะรู้สึกอย่างนี้และอันนี้เอง ก็เป็นสาเหตุใหญ่อันหนึ่งที่ทำให้คนในสมัยปัจจุบันไม่อยากจะสนใจกับธรรมะเพราะรู้สึกว่าถึงแม้จะรู้ไปก็ไม่มีประโยชน์และอีกอย่างเขาก็มีเรื่องอื่นที่จะต้องสนใจทำอีกมากมายเวลาก็ไม่มีดังนั้นจึงไม่สนใจอันที่จริงพระพุทธเจ้าเมื่อจะทรงสอนใครพระองค์จะต้องทรงพิจรารณาก่อนเสมอว่าคนที่พระองค์มุ่งหมายจะสอนนั้น สามารถเข้าใจได้และปฏิบัติตามได้พร้อมท่านจะเกิดผลดีแก่เขาอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าหากพระองค์รู้อยู่ว่าคนฟังไม่อยู่ในฐานะที่จะฟังเข้าใจและปฏิบัติตามได้พระองค์จะไม่ทรงสอนเลยแต่การที่คนสมัยนี้รู้สึกว่าเขาปฏิบัติตามไม่ได้นั้นก็เพราะเขาไปได้ยินหรือไปพบเห็นธรรมะที่สูงเกินสติปัญญาของตัวถ้าหากเขาได้พบธรรมะที่เหมาะแก่พื้นสติปัญญาของตนเองแล้ว เขาจะรู้สึกเลื่อมใสและยินดีปฏิบัติตามทุกวันนี้ความยุ่งยากในการสอนธรรมะอยู่ตรงที่คนฟังโดยทั่วไปมักจะเลือกธรรมะเอาเองอย่างเดียวกับคนป่วยไปเที่ยวหาซื้อยามากินเองตามร้านขายยาหรือไม่ก็พยายามจะเป็นหมอเสเองด้วยวิธีไปเที่ยวซื้อตำราหมอมาอา่านและศึกษาด้วยตนเองโดยไม่มีหมอที่ชำนาญเป็นผู้แนะนาสั่งสอนและอีกประการหนึ่ง เป็นเพราะการเผยแพร่ศาสนาอย่างที่เป็นอยู่ในเวลานี้ผิดหลักการสอนมากและก็ผิดอย่างนี้กันมานานแล้วกล่าวคือเราใช้วิธีเทศบนญาลาหรือโบสถ์หรือในสถานที่แห่งใดก็ตามโดยไม่ได้แยกคนฟังออกเป็นประเภทประเภทเราจะพบว่าเกือบทุกแห่งที่มีการสอนทางศาสนานั้นคนฟังทั้งหลายนั้นอายุต่างกันความรู้ต่างกันสิ่งแวดล้อมต่างกัน ี่สายใจคอต่างกันแต่เราก็มาฟังรวมกันในเวลาเดียวกันเหมือนกับเด็กนักเรียนต่างอายุต่างชั้นมาเรียนรวมในห้องเดียวกันฟังเรื่องอย่างเดียวกันในเวลาเดียวกันการสอนแบบนี้ย่อมไม่ก่อให้เกิดผลดีแก่คนฟังได้และยิ่งกว่านั้นการสอนศาสนาให้กับประชาชนส่วนมากก็ไม่มีการทดสอบว่าใครเข้าใจผิดเข้าใจถูกแค่ไหนยอย่างไร ด้วยเหตุนี้การสอนจะไม่ค่อยจะเกิดผลแก่คนฟังเท่าไรนักนอกจากบางคนที่บังเอิญเรื่องที่ได้ยินได้ฟังนั้นเหมาะสมแก่สติปัญญาและพื้นนิสัยของตัวเขาผู้นั้นก็จะได้รับประโยชน์และเกิดความเลื่อมใสการเผยพรย่ศาสนาที่ถูกต้องผู้สอนจะต้องทำตัวเป็นเสมือนหนึ่งในแพทย์คือจะต้องรู้ถึงพื้นความรู้นิสัยใจคอสภาพสิ่งแวดล้อมและจะต้องรู้แน่นอนว่า ในการศึกษาธรรมของเขาเขาต้องการอะไรเราจะต้องพยายามหาทางให้เขาได้สิ่งที่เขาต้องการสมความปรารถนาแปลว่าผู้สอนนึกอยากจะสอนอะไรก็สอนทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะการสอนที่ได้ผลจริงๆนั้นต้องสอนเป็นรายบุคคลหรือแยกพวกเป็นชั้นๆเหมือนกับสอนเด็กนักเรียนในห้องเรียนและจะต้องมีการทดสอบด้วย และที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องให้มีการปฏิบัติในทางสมาธิและวิปัสสนาด้วยและผู้สอนก็จะต้องเป็นผู้ที่รอบรู้จริงๆและตนเองก็เคยได้รับผลจากธรรมะโดยตรงมาแล้วที่สอนก็เพราะมีความเลื่อมใสเพราะมีความเมตตาการุณาในผู้ที่รับการสอนจริงๆการสอนแบบนี้เท่านั้นที่จะทำให้ผู้ฟังได้รับประโยชน์คุ้มค่าและโดยวิธีนี้ ก็จะทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นั้นไม่ใช่เป็นแต่เพียงทฤษฎีแต่เป็นสิ่งที่นำมาปฏิบัติได้และได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติด้วยเมื่อเขาได้รับผลอย่างนี้แล้วเขาก็จะรู้สึกได้เองว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นโอปัญิโกคือเป็นสิ่งที่ควรจะน้อมนาเข้ามาไว้ในใจของตนเพราะพระธรรมนั้นเปรียบเหมือนเพชรที่มีค่า ซึ่งกําไว้ในมือเมื่อแบมือให้ใครได้เห็นแล้วทุกคนที่เห็นและรู้จักค่าก็ย่อมอยากจะได้มาประดับไว้ที่ตนและถ้ามีความเลื่อมใสจริงๆก็สามารถจะนำมาปฏิบัติได้คือทำให้มีให้เป็นขึ้นที่ตนได้โดยไม่ต้องซื้อหาแต่ประการใด